50 languages. ต้องการอยากคุณจะทำอคุณอยากทำอะไรคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม คิดตุสีฟุตบอลขีดหน้าคุณอยากไปหาเพื่อนๆนไหมคิดตุสีอั न เนต์ดศाตานุมิโลน้าจวต้องการอยากจวบหดิฉันไม่อยากมาสายแม่เดรนาร์ไม่ยอมร่ ดิฉันไม่อยากไปที่นั่นแม้จะไม่ได้จะมางก้าแม้จะไม่ไดंจะมาีดิฉันต้องการกลับบ้านแม้จะไม่ได้จะมดิฉันต้องการอยู่บ้านม้จะไแม้จ र ไม่ไดดิฉันต้องการอยู่คนเดียว คุณอยากอยู่ที่ ह ี่ไหมคือที่คุณอิทธิ์เรือนาชวันดาเหรอคือที่คุ द ा है, ธิ์เรือนาชวันดีเหรอคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมคือที่อิทธข้าวนาชวันดาอคือที่คุณอคุณอยากนอนที่นี่ไหม คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ क ि त ต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ คุณอยากไปดิสโก้ไหมเกตุสดิสโก้จานาชนเดโฮคุณอยากไปดูหนังไหมเกตุซนมาจานานเดโฮคุณอยากไปร้านกาแฟไหมเกตุสิแคเฟ่จานาชอนเดโฮ